ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยากจะนำเรื่องนางสุวรรณาทีวีมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาความมีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสํมราณิธียาบท รากฏว้อยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงบาลพนาสุมนาเทวีสมเด็จพระจินดารสีจึนไดแต่พะธรรมเทศนานิวา่าอิธนันทิติเวจานันทิติเป็นต้นค <c oughs> ว, วามพิสันดานมีอยู่ว่าพิสุสองรูปสองผันรูป ย่ำอยู่ในเรือนของท่านอนาติบินากาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามาหาบาศิกานั้นก็บุคคลใดใด ใ, ในกรุงสามถ์สาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นนั้นต้องได้โอกาสของนาง น, นานทเท่าสองก่อนนั่นก่อนแล้วจึงจะทัได้มีปัญหาถามว่าเป็นเพราะอะไร ต้องตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านาดิวิิกาตเศรีฐีหรือว่านามีสาขามาสู่โรงทายของท่านแล้วหรือยังเมื่อได้ตอบว่าไม่ได้มาก็ย่อมตดเตียนแม่ทานนำบุคคลสละทรัพย์ต่างแสนแล้วก็กล่าวว่านี่ที่ว่าทานอะไรเพราะท่านนังสองนั้นย่อมรู้จักความ ชอบใจเขามันดาวิสุทธิสงฆ์อันคิดที่คนทําแก่วิสุทธิสงฆ์เมื่อท่านานสวรรค์อยู่พระวิสุก็จะย่ายชันตามความพอใจเพราะนั้นทุกๆคนที่ไปสงฆ์จะถวายทานยิงเชิญท่านอนสวรรนั่นไปก่อนเมื่อท่านอนสวรรค์นั้นย่อมได้ให้เพื่อค่ายคือถวายวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายในเรียงของตนด้วยเหตุนี้ เพอยา น, นนามิสาขาเมื่อใครควรว่าใครเนรจะดำลงหน้าในหน้าที่ของเราเลี้ยงบรรดาพิสุทธิ์สงเห็นที่ด้คองบุตรแล้วจึงเขาเข้าไปไว้จึงตั้งเขาไว้ในที่ที่ของตนนังถวายพระตาหายแกบรรดาพิสุสธิ์สงในเรียนของนามิสาขานั้น ถึงแม้ว่าท่านนาธิปิเกาเศรษฐีก็ต้องตั้งที่ดาคนใหญ่ชื่อว่ามหาสุภตาไว้ก็นางมหาสุภทานั้นทำการขนวายแก่รดายพิสดุสทั้งหลายคว่าขนวายก็หมายถึงว่าจัด ก, การธนุบำรุงท่านตั้งทำอยู่และก็ได้เป็นประสดาบันป็นสูติกลแห่งสามี แต่นั่นถ้านดิวินีกาเศรษฐีก็ตั้งนางจุลสุภัทาแทนแม้ดั่นนางจนเปนเดชนุภัธานั้นก็เช่นเดียวกันก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นประโสดาวันแล้วก็ไปสู่แตู่ลหนึ่งสาวมีแค่แต่งงานลำแบบนั่นถ้านาดิวินีกาจะได้ตั้งหินดาคนเล็กมีนามว่าสุวรรนาเทวีแทน ว่า น, นาสุวนาเทวีนั้นฟังทำแล้วได้บรรลุว่าสักิธาคามีผลยังเป็นเด็กรุ่นสาวก็สับกระสายได้ความไม่ผาุกเห็นปั่นนั้นตัดอาหารคือว่าอดข้าวมีความแบญโสนจะเห็นดีดายังได้เชิญมาทรมหาเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของที่ดาในโรงทานแห่งน่ง ก็มาหาและถามพูดว่าเป็นอะไรไปหรือแม่แม่สุวรรณนาที่ได้นั้นก็ตอบกบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายนี่เป็นว่าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายรับฟังและจะเห็นว่าความสำคัญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่อาโวสโุโบโยก่อนหรือบนหลัง เป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นน้องมีความสําคัญอยู่ที่มรรคผลค่อยฟังต่อไปท่านมีน้จึงถามว่านี่แม่สุวรนาแม่เพื่อไปได้ออยังไงลูกสุวรนาเทก็ตอบว่าไม่เพือน้องชายท่านมีด้ก็ถามว่าจะกลัวแล้วแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย นี่เป็นนั้นว่าขณะที่เธอป่วยเมื่อกี้นี่ผมตาลายคว้านังสือขึ้นมาได้ก็ว่าเรลยเป็นนั้นว่าตอนป่วยก็เลยตอนไอ้ที่เรียกว่าใจกระสับกระส่ายอาการกระสับกระส่ายเนี่ยมันเรงป่วยพอ <c oughs> นี้ตาเริ่มหายลายแล้วพอเข้าใจ <c oughs> แต่พรา น, น, นางชุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านั้นเธอก็ตาย ตอนนี้ท่านบอกว่าธรามมหาเศรษฐีนั้นแม้ถึงไม่จะเป็นประสดาบันก็ไม่โกรธไม่สามารถจะอดกั้นความโศกที่เกิดในทิดาได้ี่ลูกสาวตายรักอดรักไม่ได้ตอนฟังเ ม, เ, มเมื่อกี้นี้จำได้หรือไม่ว่าหญิงทั้งสองตอนต้นเธอปฏิบัติพระณต่างคนต่างก็ได้ประสดาบัน นันได้โสดาบันแล้วก็แต่งงานเห็นไหมความจริงบบโสดากับสกิธาคามียังอยู่ในการเกณฑ์แต่งงานอยู่แต่ว่าไม่ละเมิดสินห้ามีความเคารพในพระราชนตรัยเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆของบบโซดาบันก็คือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในวธรรมเคารพในประสงค์มีศินบริสุทธ ถ้าว่ามีศินบริสุทธิ์ในถ้าผมจะจํากัดไปเฉพาะสินห้าประเดี๋ยวพระทั้งหมดอยากจะเป็นประสูดาบันหรือเนงอยากจะเป็นประสูดาวบักนการนวดสินห้าการเป็นแถวกลายเป็นคนพระตกมรกคไปหมดก็ต้องอับบันเป็นอันว่าถ้าคารวะธรรมดาก็ทรงศินห้าบริสุทธิ์สรมันเองก็มีสินสิบริสุทธิ์พระมีศินสองรอยี่สิบเจ็บริสุทธิ์ มีเท่านี้เองด้วการอยากแต่งงานถ้าไม่ได้บอกว่าปัโสดาบันเลิกรักเลิกโกรธเลิกรวยเลิกหลงถ้าไม่ได้บอกจําไม่ด้วยนะครับเอาดีว่าไงยุ่งซะแล้วถอยหลังนิดท่านเศรษฐีนัน่นกล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นปัโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะกั้นความโศกอันเกิดในที่ดาของท่านไดยที่ตายไปให้ทำการลงศพที่ดาเสร็จแล้วไป่าสวดดาบันนะลูกสาวเป็นพระสีทาคามีท่านก็ร้องไห้ไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้ฟังแล้วก็จําว่าพระโสดาบันยังร้องไห้เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ตัดความรักยังไมไ่ตัดความรวยยังไมไ่ตัดความโกรธยังไมไ่ตัดความหลงยังหลงยังมีความอะไรในร่างกายของลูกสาวเมื่อองค์สมเด็จสมมาสมเด็จเจ้าสงสัด ถ, ถามว่ากระหอบดีทําไมท่านยังมีทุกข์เสียใจ มีหน้าอาบม า, ามได้น้าตาร้องไห้มาได้แรบการอย่างนี้ท่านกระห่าววัดีเยนกราบตุนองค์สมเด็จพระจินนาสีวา่าพันตรีพระขวารข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้ที่เยาว์่ะนางสมบนาเทวีธิ่ดาของข้าพระองค์ตายไปแล้วพระเจยาว์ข่าสมเด็จพระบรมราชชนนี ยิ่ตัดถามว่าเมื่อเป็นชินนั้นเมื่อลูกสาวท่านตายเหตุไรท่านยังโศก ค, ความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแกร น, นาสัพสัตไม่ใช่เลยหมายความว่าขึ้นชีอว่าความตายย่อมมีเป็นปกติสำหรับสัตว์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแค่ ม, มีส่วนเดียว ต่มหาสุธีกล่าวว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าทินดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมไปด้วยหิริและอต ป, ปะหิริอายความชั่วโอต ป, ปะเกรงกลัวผลความชั่วเห็นฝันนี้ในเวลาจนจะตายนางไม่สามารถจะกลมสติไว้ได้บนเพอ้อตายไปแล้วได้เหตุนั้น ความสงส้าเสียใจไม่น้อยเี๋ยเกิดจะฆ่าพระองค์พระพุทธยาวค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีตากาตว่าเศรษฐีมหาเนตมหาเศรษฐีใหญ่อัตถะคตใหญ่จะทราบว่าก่อนที่เธอจะตายเธอพูดว่าอะไรแต่มหาเศรษฐียึ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจว่าฆ่าแต่พระองค์พูดจริญ ข้าพระองค์เรียกในเทวว่าเป็นอะไรหรือสมนานางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์ถามกล่าวว่าเจ้าเพอไปหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่เพ่อหรอกน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้าคลัหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย พอกล่าวได้ทํานี้เธอก็ตายพระพูที่เจ้าข่าลำดับนั้นองค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่แต่กระทัางเศรษฐีว่ามาหาเศรษฐีทินดาของท่านจะได้เพลยไปก็หาไม่ได้ความจริงลูกสาวของท่านไม่ได้เพอ ให้มหาเศรษฐียิงกราบทูลถามว่าถ้าเธอไม่เพ้อเพราะเหตุใดเธอจึงพูดอย่างนั้นพระเจ้ขาข่าสมเด็จดพระบรมศาสดาจะนได้ตัดว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีเพราะท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆนางยิงพูดกับท่านอย่างนั้นท่านก็เาบนดี ก็ทินดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะท่านเองทรงคุณธรรมไม่ได้เพียงประสดาบันส่วนทินดาของท่านนั้นเป็นพระสี ธ, ธาคามีพรานางเป็นใหญ่โตด้วยมักผลอย่างนี้นั่นยังกล่าวอย่างนั้นแก่ท่านเป็นอนุบาอันท่านมหาเศรษฐี ฟังแล้วยังกล่าทูลถามว่านางเป็นพระสิกทาคามีหรือพระพุทธเจ้าข่าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแท้กะหายบุรีท่านมาเศัยทีจะได้ถามกับองค์สมเด็จพระจินาสีว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระาศาสดาได้ทรงตรัส องส์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะในทรงตรัสว่าเวลานี้นางเกิดในภพตุสิ์ท่านมหาบดีถ้ามหาเศรษฐยังกลา่าวทูลว่าทินดาของข้าพระองค์เที่ยวเพื่อเพลินอยู่ในระหว่างหมู่าในโลกนี้มีความสุขมีความรื่นเริงหันษามีใจสบายไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์ แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดในที่ที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข่าเวลานั้นถึงกล่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนแต่จะถ้ามหาเศรษฐนว่าอย่างนั่นก็หาบุดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นครหัสก็ตามเป็นบรมชิตก็ตาม ย่อมจะเพิ่พลนในโลกนี้และโลกหน้าโดยแท้ดานี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเชียงทรงตรัชคาถาพระพุทธภาสิตว่าผู้มีบุญอันทำไวแล้วย่อมเพิ่เพลนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเพิ่เพลนในโลกหน้าคือโลกทั้งสองเขาย่อมเพิ่มพลนว่าเราได้ทําบุญไวแล้วไปสู่สุคติย่อมเพิ่มพลนยิ่งยิ่งขึ้นไป ในการเมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดบาดไปคาฐานิจบมันดาบุคคลเป็นมากก็ได้บรรลุอริยบุคคลมีระโสนาบันเป็นต้นราธรรมเทศนาบทนี้จิตที่ว่าได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอย่างมาก อราบดาท่านพิสุทธิ์สะมมนเนทั้งหลายตลอดจนทั้งอมบาโยอมบาสุกอมบาศิกา <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องสัน้นความจริงนำเรื่องสันส้นๆมาพูดกันอย่างนี้ดีจะได้มีเวลาคุยกันท่านจะเห็นไว่าการบรรลุมรคลให้ศาสนาเขาองค์สมเด็จพระสุนรัดานั่นเป็นของไม่ยาก ให้กล่าวทั้งนั้นว่าทําอยากนี่ก็จะต้องตอบกันไหมถ้าจะตอบก็จะต้องตอบกับว่าที่ว่าไม่ยากก็เพราะว่าเวลานั้นผู้สอนเป็นพระพุทธเจ้าคอพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพญิยวิสัยก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรูมันซาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสแสดงธรรม พระพุทธเจ้าไม่ใช่อัตมาอจตมาสแสดงธรรมหรือแนะนำในด้านธรรมวินัยแก่ท่านทั้งหลายก็มีสภาพเหมือนคนต้มยาหม้อใหญ่ไม่ยาอยู่หม้อเดียวใครเป็นโรคโลกปวดหัวโรคเจ็บท้องหลังแข็งปวดหน้าปวดตาปวดคิ้ว ปวดกระหนงคีบปวดอะไรทั้งหมดพอาะากราตมาก็ใช้ยาหม่อนั้นถ้ามันเป็นการบังเอิญจริงๆโรค ก, กับยามันชนกันหมายความว่ายาม้อนั้นบังเอิญรักษาโรคประเภทนั้นหายคนไข้ก็หายแต่โรคที่เขาเป็นมา น, นั้นมันไม่ตรงกับยาที่ต้องเข้าไว้กินเท่าไหรมันก็ไม่หาย สำหรับองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาชสนญาไม่ใช่อย่างนั้นมีอุปมาเหมือนกับหมอที่มีความสามารถฉลาดในการตรวจโรคและก็ฉลาดในการให้ยาก่อนที้องสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรักษาโรคก็ทรงตรวจดูก่อนว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรมมีอะไรเป็นสมุดฐาน จะใช้ยาขนาดไหนรักษาจี่จะหายได้โดยฉับพลันยองสมเด็จพระสุนทนถ้าจะเปรียบกับหมอก็เป็นประเภทแบบนี้ไม่ใช่หมอบ้าธาตมาอาตมานี่เป็นประเภทหมอกลางบ้านมียาขนาดเดียวพระพุทธเจ้ามียาหลายขนาดแต่บางทียาขนาดเดียวก็นั่นแหละ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสามารถจะยักย้ายใช้กระใช้น้ำกระสายเทียบถูกต้องกับโรคที่เป็นนั้นได้ว่าลงไปครั้งเดียวโรคก็หาย ท, าทันทีข้อนี้มีประมาณชัน้นใดถ้าเทียบอาตมากับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัญญาสัมมาสมาัมพุทธเจ้าอาตมาก็เหมือนหมอ ก, กลางบ้าน แนะนำธรรมก म म ัมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายก็ว่าไปตามที่รู้ที่เห็นจะไ่รู้น้ำจิตน้ำใจขัมมรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นไม่ได้สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมารสันดาก่อนจะเทศในเวลาเช้ามืดทรงพิจารณาอุปนิสัยของสาก่อนเริยมหนาาพระพุทธญาณ แม้สมเด็จพระิจิตามารทรงทราบว่าใครหนอจะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลนั้นเกิดเฉพาะประพักระองสมเด็จพระทศพลระองก็รู้จักที่รู้จักแต่กูลรู้จักกฎของกรรมความดีและความชั่วที่ทำไว้ในการก่อนแล้วสมเด็จพระจินาวอนก็ ส, งส่งทราบ ว่าถ้าเขาฟังเทศเรื่องนี้เขาจะมีมรรคมีผลได้เป็นพระอาจารย์ชันไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศเรื่องนั้นเป็นที่ถูกใจเขาอันนี้อย่างหนึ่งที่ในสมัยที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศคนจึงได้บรรลุมรรคมากในรวยการที่สองอาศัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผาเจ้ า, จาเป็นพระพุทธเจ้าเอง ย่อมเป็นสัพพัญญวิสัยมีความฉลาดในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามีบุกลิศักษณะพิเศษอยู่สีอย่างคือรูขปมาณีการูปสวยรูปรปมาณีกามีความสามองโคสัพปมาณีกามีเสียงไพเราะ ทำมัพปมาณิกาสแสดงทำเป็นที่จับใจกัมรรดาปวงชนนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลมีสุนธรรมิเศษมีสมบัติพิเศษจุสีอย่างที่กมมดดาเวาสาุทังหลายเหล่านั้นไม่สามารถทำได้โลคัพปะมานิกาหมายความว่าถ้าบุคคลใดต้องการความสวยสดสุดงามติดอยู่ในความสวย พระพุทธเจ้าก็มีลักษณะสวยลักษณะเขาพระพุทธเจ้านี่สวยจริ ง, รงๆหาที่ติมีได้นอกจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นื่อเขาชอบสวยก็ทรงปปิ่งทะเบงฉับพันรังสีรัศมีประการให้ปรากฏเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดมีความสวยงามมากคนดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่เบื่อ นี่จุดหนึ่งเป็นจุดที่สนใจของอันดาแต่พุทธบริษัทในสมัยนั้นแต่ถ้าบุาคคลใดต้องการความเศร้าหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผ้าห่มย้อมในน้ำฝาดเป็นเครื่องห่มแสดงให้การเศร้ามองให้ปรากฏคนที่ไม่ชอบสวยชอบการเศร้ามองพอยใจในที่นี้ก็ดีสามองค์สมเด็จพระชินสีมี เรีว่ามีโคสัพ ป, ประมาณิกาเสียงไพเราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศว่าจาที่ทรงกล่าวไปจับใจบุคคลทุกคนนเวลาที่พระพุทาาธจใจใท เ, ทเจ้าเทศน์นั้นคนจะนั่งอยู่ใกล้คนณจนนั่งอยู่ไกลยนนั่งอยู่ด้านข้ามนั่นหลังก็ตามทุกคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปไปหาตนแล้วก็พูดกับตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้ด้อนาจอิทธิปาฏิหายของพระองค์แล้วการกล่าวธรรมของพระองค์ก็มีความไพเราะเสียงไพเราะมากกล่าวไปก็มีแตยความจัดใจทําจิตใจเขาบุคคลนั้นหลายมีความเชื่อมบานเกิดธรรมปีติคือความอิ่มใจเราการที่สี่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวธรรมก็ไพเราะ ยี่จุดถึงหัวใจที่บุคคลนั้นต้องการนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสมัยผู้ธเจ้ายังอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสามารถนำคในให้เข้าถึงมรรคถึงผลวิการเทศสั้นๆเพียงคราวเดียวก็บรรลุผลมากถึงขนาดนี้นี่มาสมัยเราเราทายังไงเราจะได้บรรลุมรรคบรลุผล ก, กันบ้าง ถ้าคนสอนก็แสน จ, จะโง่เมื่อคนสอนโง่เลยคนฟังจะฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ไม่แน่จงยาเพิ่งคิดนะว่าคนฟังจะฉลาดกับคนสอนเอ้ยก็จะโง่คนสอนเสมอไปอันนี้ไม่แนบ่บญบา ร, รมีของท่านหลายสั่งสมมาตั้งแต่สมัยไหนมีกําลังเท่าไรไม่มีใครรู้ ดากว่าท่านไม่เคยสั่งสมบรมีจากสมัยจากมากับองค์สมเด็จพระบะร ม, มครูคือพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือผ่านพุทธเจ้าอื่นมาก็แสดงว่าจิตใจเขามรนดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าไม่มีใครต้องการฟังธรรมวินัยเพราะการฟังธรรมวินัยเป็นปัจจัยแห่งความเบื่อหน่าย แต่ที่บรรดาแต่ผู้แต่สาสนิกชนทั้งหลายพอใจในการปฏิบัติธรรมท้าววิสุสมัในนุมบาสุกุมบาสิกาแสดงว่าทุนเดิมของบรรดาท่านทั้งหลายมีกําลังใจเต็มเปี่ยมโดยปร ม, มรมัตาธรรมระมีถ้าสามารถควบคุมกาลังใจของท่านนี้ ให้ทรงอยู่ในลมแห่งความดีพอสมควรจับจุดไว้ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีทรงคุณธรรมแบบไหนถ้ายังมองกันไปก็เห็นว่าพระโสดาบันคนดีพระสกิทาคามีคนดีที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงได้ง่ายนะั่นเป็นของไม่ยากถ้ารู้จักเขตของท่านนั่นก็คือว่าพระโสดาบันคนดี พระสกิธาคามีกนดีเป็นผู้ทรงอธิธสินคือรักษาสินบริสุทธิ์อย่างยิ่งป็นกล่าวว่าเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์มีสมาธิเพียงเล็กน้อยแค่ปฐมชายก็ได้แล้วก็มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในเมื่อท่านมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตได้เกาะคุณพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จงศีลบริสุทธิ์เที่ยงเท่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นพระสมุนาบันรัศกิทาคามีแต่ลมของพระอริยเจา้าตอนสอนรายการนี้จะมีความรักในเพเศละเอียดว่าโลกตั้งสองของท่านมหาเศรษฐี เพราได้ประสูนดาบันก็แต่งงานเป็นะนั้นว่าถ้าเราจะมองกิเลส ก, กันประสูนดาบันก็ ค, คล้ายชาวบ้านยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธจะมีการโผ่โกรธจะมีความหลงแต่จิตใจตั้งลงไว้โดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตของสินท่านั้นไม่ละเมิดศีน เท่านี้เป็นอันว่าเป็นโซนดาวันเราเป็นไม่ยากอาราบันดาสาวกข้อองสมเด็จพระพูทมีพระภาคมองดูเวลาเห็นเวลามันหมดเชแล้วฉะนั้นขอสาวกข้อองสมเด็จพระไปทีแก้วต่อจากนี้ไปพอท่างหลายก็เตรียมตัวเพื่อจะสมาทานประกำานต่อไป